วัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่อับพานภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่อับพานพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้ภิกษุผู้ควรแก่อับพาน 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัย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 ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวทามกว่านั้น 9. ไม่พึงทำหนิกรรม 10. ไม่พึงทำหนิภิกษุผู้ทำกรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกจัตตะภิกษุ 12. ไม่พึงงดบวรณาแก่ปกจัตตะภิกษุ 13. ไม่พึงทำการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกร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 ไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย28ไม่พึงออกจากอาวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตรายยีิบเ ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย30ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย31็ ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อว magic> ่าศซึ่งมีภิกษุไปสู่อว่าศหรือสถานที่ไม่ใช่อวาศซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย32ิไม่พึงออกจากอวาศหรือสถานที่ไม่ใช่อวาศซึ่งมีภิกษุไปสู่อวาศซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุ เว้นแต่มีอันตรายสาไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 34. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 3. 5ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งมีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 36. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 37. ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสาม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 เว้นแต่ไปกับปกตัตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย40ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกระทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย41ไม่พึงออกจากอาวาด หรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวาตมีภิกษุซึ่งมีภิ ก, นนานา ก, กษกออกกกกุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 42. ไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาตมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย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 เว้นแต่มีอันตราย46พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ47พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ48พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงวันนั้นนั่นแหละ49พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุ ไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละหสิพึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ 51. พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ 52. พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ 53. ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ54ไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันห้าสหไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกัน ห้าสิบหกเห็นปักกัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะห้าสิบเจ็ดพึงนิมนต์ปกัปกกตตะภิกษุให้นั่งห้าสิบแไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปักกัตตะภิกษุห้าสิบเก้าเมื่อปกักกตตะภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูงหกสิบเมื่อปกักกตตะภิกษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ 61. ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปัจัตตะภิกษุ 62. เมื่อปัจัตตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง 63. เมื่อปัจัตตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม 64-74 ถึง ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสกับภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมกับภิกษุผู้ควรแก่มานัดกับภิกษุผู้ประพฤติมานัดกับภิกษุผู้ควรแก่อภานที่มีพันษาแก่กว่าไม่พึงอยู่ในสถานที่ที่มิใช่อาวาดที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุ ผู้ควรแก่อับพานที่มีพรรษาแก่กว่าไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อับพานที่มีพรรษาแก่กว่าไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อับพานที่มีพรรษาแก่กว่าเจสิบห<ร>้าเมื <snakes. S 2> ่อภิกษุผู้ควรแก่อัานที่มีพรรษาแก่กว่านั่งบนอาสนะต่ำ ไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง76เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อับพานที่มีพรรษาแก่กว่านั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ77ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อับพานที่มีพรรษาแก่กว่า78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 พึงให้ปริวาทชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดสงมีภิกษุผู้ควรแก่อับพานนั้นเป็นรูปที่20สพึงอับพานกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่อับพานจบอับพานารหวัตตะจบ ปาริวาสิกะขันธกะที่สองจบในขันธกะนี้มีห้าเรื่อง